สัมมนเนและอุาสมบทพระภิกษุเป็นกิจกรรมประจำปีของทางวัดในช่วงภาคปิดเทอมฤ ด, ดูร้อนโรงเรียนหยุดเรียนกันเด็กนักเรียนก็มีเวลาว่างทางวัดเลยได้จัดให้มีการบรประชาสัมมนเอง โดยนักเรียนของโรงเรียนยศ ส, อสอผู้รู้ยศสโรงเรียนในพระสังฆราชชูปธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่รับเด็ก น, นักเรียนมาจากจังหวัดชายแดนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน พ่อแม่ไม่สามารถส่งให้เรียนหนังสือได้ทางโรงเรียนก็จะรับอุปถัมภ์ไว้ให้เรียนสมปีคือตั้งแต่ม1หนึ่งถึงมสมีหอพักให้อยู่ไม่ต้องเสียค่าเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและพอเรียนจบมหนึ่งแล้วโรงเรียนปิดเทอม ก่อนที่จะให้กลับบ้านก็ทางโรงเรียนก็จัดให้บรประชาสามันเนสิบวันคือวันนี้จนถึงวันที่23มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนประมาณ30กว่ารูปแล้วก็มีเด็กนักเรียนคือลูกหลานของสัท ธ, ธาญาณโยมที่มาทำบุญที่วัดอยู่เป็นประจำ ก็มาบรรพชาสามเณรสมทบอีก10กว่ารูปด้วยกันรวมกันแล้วก็จะมีประมาณ40กว่า50รูปที่จะอยู่ศึกษาปฏิบัติที่วัดในประมาณ15วันด้วยกันนี่คือเรื่องของการสืกทอดพระพุทธศาสนา การสื่อทอดของพระพุทธศาสนานี้จำต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติและไม่มีการศึกษาและปฏิบัติที่จะดีเท่ากับการบรรพชาอุปสมบทเป็นสมัมนมเณนีหรือเป็นพระภิกษุเพราะจะได้มีเวลาที่จะศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลา กับการทำมาหากินหรือทำภารกิจอื่นๆจะมีเวลาศึกษาได้เต็มที่และมีเวลาที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้เต็มที่และจะมีโอกาสที่จะได้บรรุเห็นธรรมได้ลิ้มรสพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ลิ้มรสแล้วจะเห็นคุณค่า ของพระศาสนาะของการบวชของการศึกษาของการปฏิบัติว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับรสแห่งธรรมดังที่สงตัดไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวนรสอื่นที่เราได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเราเปรียบเทียบกับรสแห่งธรรมแล้ว เป็นเหมือนกับก้อนอิด ก, กับเพชรเนินจินดาคุณค่าต่างกันอย่างมากเพราะรถแห่งธรรมนี้จะทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มเออมมีความพออยู่ตลอดเวลาไม่หิวไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นและไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่วิตกไม่เดือดร้อนกับ สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อย่างที่พวกเรายังเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เรามีความทุกความเดือดร้อนความวุ่นวายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเดี๋ยวเรื่องคนนั้นก็เข้ามาเดี๋ยวเรื่องคนนี้ก็เข้ามาเดี๋ยวเหตุการณ์นั้นก็เข้ามาเหตุการณ์นี้ก็เข้ามา ใจของเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆแทนที่เราจะปฏิบัติอย่างถูกต้องเรากลับปฏิบัติแบบผิดๆก็เลยส่งผลเสียให้กับตัวเราศาสนานี้จะช่วยเราได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ถ้าเราได้ศึกษาเราจะรู้ว่าวิธีปฏิบัติ ต่อสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ทําอย่างไรกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่เพราะเราไม่รู้จากวิธีที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองวิธีที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้นก็คือเราต้องมีความ พอดีกับสิ่งที่ปฏิบัติกับสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยคือเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้เราต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยนั้นเขาเป็นอย่างไรเราอย่าเอาใจเอาความอยากของเราเป็นที่ตั้งเพราะจะทำให้เราเกิดความทุกข์ เพราะว่าใจของเรานั้นยังหลงยังไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆให้ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ธรรมชาติของเขาว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสั่งสอนพวกเราให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลนั้น ลอันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ไปตลอดมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นสมบัติของใครทั้งนั้นไม่มีตัวตนในทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลล้ลวนมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟทั้งนั้นไม่มีตัวตนในดินน้ำลมไฟดินไม่ใช่ตัวตนน้ำไม่ใช่ตัวตนลมไม่ใช่ตัวตนไฟไม่ใช่ตัวตนและเมื่อมารวมกันเข้ามาเป็นร่างกายของมนุษย์ก็ดีร่างกายของสัตว์ต่างๆก็ดี ก็ยังไม่มีตัวตนอยู่เช่นเดียวกันแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายเหล่านี้มีความหลงผามาทำให้หลงคิดว่าร่างกายที่ใจได้มาครอบครองนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราพอเห็นอย่างนี้แล้วก็เกิดความยึดติดอยากจะให้ตัวเราของเราอยู่ไปนา น, น, าน อยากจะให้ตัวเราของเราดีไปตลอดอยากจะให้ตัวเราของเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายพอเราเกิดความอยากเหล่านี้แล้วเราก็จะต้องทุกทรมานใจทันทีเพราะว่าความอยากของเราไม่สามารถเป็นไปได้นั่นเองมันไม่ตรงกับความจริง ความจริงของร่างกายของเราหรือของใครก็ตามมีเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนนะนี่คือเรื่องที่เราต้องมาศึกษามาสอนใจที่หลงมายึดมาติดร่างกายของเราของผู้อื่นมาหลงมายึดมาติดกับสมบัติต่างๆเข้าของต่างๆ มายึดมาติดกับสถานภาพต่างๆเป็นเป็นอะไรแล้วก็อยากจะเป็นไปนานๆเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นไปนานๆไม่เคยคิดถึงวันที่มันจะสิ้นสุดเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นต่อให้เป็นประธานาธิปดี เป็นมหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีก็ต้องมีวันจบเหมือนกันมีวันสิ้นสุดเหมือนกันไม่มีใครเป็นไปได้ตลอดนะแม้แม้อนาจาักรอันใหญ่โตที่เคยใหญ่โตรุ่งเรืองมาในอดีตวันนี้ก็กลายเป็นซากพลักหักพังไปหมดเช่นอาณาจาักรสุขโขทยัย อ, อาณาจักรอยุธยาเป็นต้น วันนี้ก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วเพราะการเวลากินสปปรรพสิ่งทั้งหลายหมดไม่ว่าสัตว์หรือบุคคลหรือข้าวของต่างๆเวลาจะกลืนกินไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่พวกเราที่อยู่ในศาลานี้และศาลาหลังนี้ไม่นานก็จะถูกเวลากลืนกินไปหมดเช่นเดียวกัน ภายใน100ปี200ปีก็จะไม่มีพวกเราอยู่ที่นี่กันแล้วนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้นำเอาไปเตือนใจสอนใจเพื่อจะได้ไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเมื่อไม่หลงยึดติดแล้ว ใจก็จะไม่ทุกข์จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะตายอะไรจะเป็นอะไรจะอยู่อะไรจะไปไม่สําคัญเลยสําหรับใจที่ไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆอยู่กับสิ่งต่างๆได้มีความสุขได้ทุกวันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก ก็มีความสุขได้เศรษฐกิจจะขึ้นจะลงก็มีความสุขได้มีกินหรือไม่มีกินอดอยากขาดแคลนก็มีความสุขได้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เกี่ยว ก, กับใจเลยไม่ได้เป็นอาหารของใจไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของใจแต่อย่างใดเพียงแต่ใจไปหลงคิดว่าเป็นเท่านั้นเอง แล้วก็หลงยินดีไปกับความสุขที่ตามมาด้วยความทุกข์พวกเราสังเกตดูเรามักจะมีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ในช่วงใหม่ๆเวลาที่เราได้มาใหม่ๆเราจะมีความสุขแต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็เริ่มมีความทุกข์แล้วกับสิ่งกับบุคคลเหล่านั้นเพราะเรา จะหวงจะห่วงจะเสียดายจะเสียใจถ้าเกิดเขาต้องจากเราไปหรือเขาเปลี่ยนไปและเป็นสิ่งที่เขาต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขาต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเขาต้องจากเราไปหรือไม่เราก็ต้องจากเขาไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่นิ่งอยู่กับที่นั่นเองเช่นร่างกายของเรานี้มันไม่เคยอยู่นิ่งเลย มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเด็กก็มาเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็มาเป็นคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยจากคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลายเป็นคนตายไปเราเห็นกันอยู่ทุกวันแล้วทําไมเราจึงไม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราไปฝืนไม่ได้ เราไปอยางให้มันเป็นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่ไปฝืนความจริงแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่ทุกวันนี้พวกเรามีความรู้สึกมากกับเรื่องราวเหล่านี้เวลาใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตื่นเต้นกันไปหมดเวลาใครตายก็ยิ่งตื่นเต้นกันไปใหญ่ ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นเรื่องธรมธรมดาาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่เพราะใจไม่มีปัญญาไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองหรือมีก็ไม่คิดถึงคำสอนเหล่านั้นพยายามที่จะไม่คิดถึงมันเพราะกลัวว่าถ้าคิดถึงมันแล้วจะทำให้เราตายขึ้นมาทันทีทันใด ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ตรงต่อความจริงแต่อย่างใดความคิดของเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความจริงได้ถ้าเป็นได้ป่านนี้พวกเราก็ร่ำรวยกันเป็นหมดแล้วเพราะตอนนี้เราไม่รวยเราคิดอยากจะรวยกันแต่ทำไมเราไม่รวยสักทีก็เ พ, เพราะความคิดของเรามันไม่ได้ไปทาให้เรารวยขึ้นมาได้นั่นเองเช่นเดียวกันกับ เวลาที่เราคิดถึงความตายของเรามันก็ไม่สามารถทําให้เราตายได้ในทันทีทันใดมันไม่เกี่ยวกันความจริงกับความคิดนี้มันคนละเรื่องกันแต่ถ้าเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันกลับเป็นยาอันวิเศษแก่จิตใจของเรามันจะแก้ความทุกข์วุ่นวายใจแก้ความหวาดกลัวได้หมดเลย เราจะอยู่อย่างสบายอกสบายใจไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอย่างมากก็ตายรู้อยู่แล้วว่ากลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายสู้อย่า ก, กลัวดีกว่าเพราะกลัวแล้วมันทรมานใจถ้าไม่กลัวแล้วมันแสนจะสบายใจนี่คือเรื่องของขวานคิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามคิดอยู่เรื่อย ทุกๆวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกถ้าคิดถึงความตายได้แล้วเราจะอยู่เหนือความกลัวความตายความกลัวความตายนี้จะไม่สามารถมาเขยา่าใจของเราได้เลยใจของเราจะแข็งแกร่งแน่นหนามั่นคงไม่มีความทุกข์อะไรที่จะเข้ามา ทำลายใจของเราได้เลยแล้วเมื่อเรายอมรับความตายได้แล้วเรื่องอื่นๆทั้งหมดนี้เรารับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องความแก่เรื่องที่เราจะต้องอยู่คนเดียวอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนอยู่อย่างยากจนสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาเลยดีกว่าอยู่แบบพวกเราอยู่กัน คือพยายามไม่คิดถึงความตายกันกลัวที่จะคิดกันเลยหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆแล้วก็อยากจะให้สิ่งต่างๆอยู่กับตนไปนานๆเพราะยึดติดสิ่งต่างๆไว้เป็นสรณะไว้เป็นที่พึ่งต้องมีสิ่งต่างๆต้องมีบุคคลต่างๆไว้ให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอะไรไปหรือจากเราไป เราก็วุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหรืออาจจะต้องตายตามเขาไปด้วยเพราะอยู่ไม่ได้เป็นความคิดผิดคิดอย่างนี้เป็นการฆ่าตัวเองเป็นการทำลายตัวเองเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยใช่เหตุแต่ถ้าเราคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนใจของเราจะนิ่งจะสงบ อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยเขาเป็นไปใจที่นิ่งที่สงบนี้มีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังมีความสุขได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้เองสอนให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆท่ามกลางการสูญเสียของสิ่งต่างๆ ใจของเราจะไม่เดือดร้อนเลยแต่ถ้าเราไม่สอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยที่เรามีอยู่คำว่าเรานี้ก็คือใจใจนี้มาครอบครองร่างกายเป็นสมบัติชิ้นแรกหลังจากนั้นพอโตขึ้นมาก็ไปหาสมบัติชิ้นอื่นๆมาครอบครองต่อไป หาเงินหาทองหาบ้านหารถหาสมบัติต่างๆแล้วก็หาสามีหาภรรยาหาลูกหาหลานมาเป็นสมบัติต่อแล้วก็ต้องมาห่วงมากังวลมาทุกบกับสมบัติต่างๆเหล่านี้ห่วงอย่างไรกังวลอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งการเปลี่ยนไปการ สิ้นสุดของเขาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเราไม่ฉลาดไปหลงยึดติดกับเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องทุกขทรมานใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้ทุกอย่างส่วนไหนที่เราบังคับได้เราก็บังคับไป ส่วนไหนที่เราทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราก็ทำไปแต่ส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปเช่นลูกหลานเราเราก็สอนเขาได้สอนให้เขาทำอย่างนั้นสอนให้เขาทำอย่างนี้ถ้าเขาเชื่อฟังก็ดีไปถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราก็อยากไปเสียใจเพราะแสดงว่าเราไป แก้เขาไม่ได้เราไปสอนเขาไม่ได้เขามีอำนาจอย่างอื่นที่มีพลังมากกว่าคำสอนของเราอำนาจนี้คืออะไรก็คือบุญกรรมนี้เองบุญกรรมที่เขาได้ทํามาในอดีตชาติถ้าเขาทําบุญมามากเขาก็จะมีนิสัยดีติดตัวมามากถ้าเขาทากรรมทาบากมามากเขาก็จะมีนิสัยไม่ดีตามมามาก ทีนี้ถ้าเขามีนิสัยไม่ดีติดตามมามากเราพยายามสอนให้เขาทำสิ่งที่ดีที่งามเขาก็ไม่สามารถทำตามคำสั่งคาสอนเราได้ถึงแม้เขาอยากจะทำเขาก็ไม่มีอำนาจพอเพราะมันเป็นสันดานของเขาเหมือนกับคนที่มีความถนัดมือซ้ายหรือมือขวา ถ้าเราสอนให้เขาใช้มือที่เขาไม่ถนัดเขาจะทำไม่ได้หรือทำได้ยากและไม่อยากจะทาเพราะเวลาที่เราถนัดอะไรเรามักอยากจะทาตามที่เราถนัดถ้าเราถนัดมือขวาเราก็จะใช้มือขวาถ้าเราถนัดมือซ้ายเราก็จะใช้มือซ้าย ถ้าคนอื่นมาบอกให้เราใช้มืออื่นเราจะไม่อยากทำขึ้นมาทันทีฉันใดถ้าเราชอบเกเรชอบเที่ยวชอบเล่นไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ช่วยไม่ชอบทำงานทำการช่วยคุณพ่อคุณแม่เวลาที่พ่อแม่สอนให้ลูกทำงานทำการสอนให้เป็นเด็กดีไม่เกเรไม่เล่น ให้ขยันเรียนหนังสือเขาก็จะไม่ชอบทำและเขาจะทำไม่ค่อยได้หรือไม่ทำหรือทำแต่เฉพาะที่เวลาที่เขาอยู่ต่อหน้าเราพอรับหลังเราแล้ ว, ลวเขาก็จะไปทำอย่างที่เขาเคยทำอีกในทางตรงกันข้ามถ้าเขาได้สะสมบุญมามากทำให้เขาเป็นคนชอบทำความดีชอบทำงานชอบเรียนหนังสือ ไม่ชอบเล่นไม่ชอบไม่ชอบความเกลียดคร้านชอบความขยันหมั่นเพียรอย่างนี้เราไม่ต้องไปสอนเขาเขาจะทำเองดีไม่ดีเขาจะดีกว่าเราเสียอีกลูกนี้จึงมีอยู่สามชนิดด้วยกันหรือสามประเภทด้วยกันลูกที่ดีเท่ากับพ่อแม่หรือลูกที่เลวกับพ่อแม่ หรือลูกที่เก่งกว่าพ่อแม่ดีกว่าพ่อแม่ลูกนี้มาแบบนี้เขาไม่ได้เอานิ ส, สัยใจคอจากพ่อจากแม่เขาเอานิ ส, สัยจากบุญจากกรรมจากดังในพระทำคำสอนที่แสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมนี้หมายถึงบุญและบาปจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดนี่พ่อแม่ให้กำเนิดแต่ร่างกายเขาแต่ใจเขานี่กรรมเป็นผู้ให้กำเนิดใจเขาดีหรือชั่วอยู่ที่กรรมอยู่ที่บุญหรือบาปที่เขาทำมาในอดีตร่างกายนี้เหมือนกันมาจากพ่อแม่เดียวกันพี่น้อง ฝาแฝดี้มีหน้าตาเหมือนกันได้แต่มีนิสัยไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะชอบกินเหล้าอีกคนหนึ่งอาจจะชอบไหว้พระสวดมนต์ชอบเข้าวัดชอบทำบุญให้ทานอีกคนหนึ่งชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวเตรชอบเสพสุรายาเมทาทั้งๆที่เป็นพี่น้องกันมีหน้าตาเหมือนกันมาจากพ่อแม่คนเดียวกัน แต่เขาไม่ได้แต่ใจของเขาไม่ไดเอามาจากพ่อจากแม่ใจของเขามาจากบุญจากบาปที่เขาทำไว้ในอนดีตบุญบุญและบาปที่เราทำนี้จึงมีผลเราอย่าไปคิดว่าทำบาปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาอะไรตายแล้วก็จบเพราะเมื่อตายแล้วร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปก็ไม่มีผลอะไรตามมา แต่เขาไม่เห็นใจผู้เป็นผู้ครอบครองร่างกายผู้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนขับคนขับนี่แหละเป็นผู้สั่งให้รถวิ่งช้าหรือเร็วก็ได้ให้วิ่งดีหรือวิ่งไม่ดีก็ได้ให้ขับรถให้อยู่ในกฎในระเบียบก็ได้ หรือจะกดให้ขับแบบอยู่นอกกฎนอกระเบียบก็ได้อยู่ที่คนขับฉันใดร่างกายนี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองถ้าใจดีก็จะสั่งให้ร่างกายทำแต่สิ่งที่ดีถ้าใจไม่ดีก็จะสั่งให้ร่างกายทำในสิ่งที่ไม่ดีเราเป็นพ่อแม่เราก็มีหน้าที่สั่งสอนเขาเราก็สั่งสอนเขาไป ถ้าเขาทำตามได้ก็ดีถ้าเขาทำตามไม่ได้เราก็อย่าไปเดือดร้อนอย่าไปเสียใจเราต้องยอมรับว่ามันเป็นบุญเป็นครรมของเขาหรือถ้าเขาดีกว่าเราแล้วเขาทำในสิ่งที่ดีกว่าเราก็อย่าไปเสียใจเช่นพ่อของพระพุทธเจ้าอยากจะให้พระพุทธเจ้าอยู่เป็นกษัตริย์อยากจะให้เป็นมหาจักรพรรดิ แต่พระพุทธเจ้ากลับเห็นว่าออกบวชจะดีกว่าออกบวชเพื่อตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้านี้ดีกว่าการที่อยู่เป็นจักรพัฒน์เป็นจักรพัฒน์นี้ต้องทําบาปทํากรรมต้องทําสงครามต้องฆ่าผู้อื่นเป็นจํานวนมากแต่การออกบวชนี้ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเลยแล้วยังได้ทําให้จิตใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร น, นี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฉลาดกว่าพ่อกับแม่หลายเท่ามองอะไรมองเห็นอะไรที่พ่อแม่มองไม่เห็นฉันใดถ้าเรามีรูปที่อยากจะออกบวชเราก็อย่าไปเสียใจเราควรที่จะส่งเสริมเพราะเขารู้มากกว่าเราเขาฉลาดมากกว่าเรา พ่อแม่ทุกคนนี้ส่วนใหญ่อยากจะให้ลูกอยู่เรียนหนังสือแล้วออกทำงานทำมาหากินให้ร่มรวยให้มีครอบครัวมีความสุขแต่พ่อแม่ไม่เห็นความทุกข์ที่มีอยู่กับความสุขเหล่านี้ความสุขที่ความทุกข์ที่จะต้องมาคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลคอยเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียความสุขเหล่านั้นไป นี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นกันแต่ลูกที่ออกบวชกันนี้เขาเห็นความทุกข์อันนี้เขาฉลาดกว่าพ่อกว่าแม่หลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะเขาได้บาเพ็ญบุญบา ร, รมีมามากกว่าพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราหากเรามีลูกอยากจะบวชหรือ บ, บวชแล้วไม่สึกเราอย่าไปเสียใจเราต้องอัน แสดงอนุโมทนาแสดงความยินดีเราต้องปลื้มปิติเพราะต่อไปเขาจะมาช่วยเราช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะถ้าเรามีความคำถามอะไรเราอยากจะรู้อะไรเราจะถามลูกเราได้อย่างสบายใจถ้าเราไปถามพระรูปอื่นเราอาจจะเกรงใจไม่กล้าถามแต่ถ้าเป็นลูกเราเราสงสัยเรื่องอะไร เราถามได้หมดแล้วเราจะได้ความรู้ที่จะทำให้เราสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นถ้าลูกเขาอยากจะบวชขอบวชทุกปีเช่นเด็กเวลาปิดเทอมแล้วอยากจะบวชก็ควรจะสนับสนุนเขาหรือถ้าเราไม่มีลูก แต่เราเห็นคุณค่าของการบวชเรียนว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้คนเจริญเป็นคนดีเป็นคนมีความสุขถ้าเราอยากจะร่วมสมทบค่าค่าบาทค่าจีวรก็สามารถทาได้เราก็จะได้ร่วมบุญกับเขาไปด้วยนี่คือเรื่องของการบวชเรียนเพื่อเป็นการ สร้างประโยชน์ให้กับตนเองในเบื้องตน้นเมื่อให้ตนเองได้อยู่เหนือความทุกข์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลังจากนั้นก็จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปสั่งสอนผู้อื่นให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญได้ปฏิบัติมาและพระอริยสงสารกทั้งหลาย ได้สืบทอดกันมาจนถึงในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีการศึกษาลรํามเรียนไม่มีการปฏิบัติไม่มีการหลุดพ้นไม่มีการบรรลุหลุดพ้นไม่มีการสั่งสอนต่อไปาศาสนาก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ไว้เป็นที่พึ่งขําหลับสั์โลกต่อไปดังนั้นการที่เราได้สนับสนุน ให้มีการบวชเรียนอยู่อย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นบุญเป็นอันนี้เป็นบุญอย่างมากเพราะจะทำให้เราได้รับอา น, นิสงส์จากพระศาสนาไปนานๆเรากลับมาเกิดใหม่เราอาจจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกเราจะได้อาศัยพระศาสนาเป็นผู้นำพาให้เราเดินไปสู่ ควา ม, มทุกข์ต่อไปได้จึงขอฝากเรื่องของการบรรพชาสมณีและ อ, อุปสมบทเป็นพระภิกษุในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา